ข้อความในคำภีรคุตตะการในกายพุทธวงศ์วงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีังนะว่ากับที่92ผ่านไป น, นะคือลักษณะนับถอยหลัง น, นะถอยหลังมาสี่อสงไขสาอาสงไขสองอสงไขหนึ่งอสงไขแล้วก็ไล่ามาถึงแสนกับ น, นะกับที่สองแสนสามแสนสี่แสนอะไม่มีมีแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น มีเมื่อแสนกลับแล้วก็ถอยลงมา3 0,000 ื่นกับบ้างหมื่นันเออพันแปดกับบ้างถอยหลังมาเก้กับบ้าง2กลับมาถึงเก้กับเป็นกลับที่ชิดกันเนี่ยหายากนะกับที่กลับก่อนก็มีพระพุทธเจ้ากลับหลังก็ยังมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหายากโดยมากก็ว่าง30มสกับมั่งหกสกับมั่งเออหมื่นกว่ากลับบ้างแสนกว่ากลับบ้างหลายแสนกลับบ้าง เป็นอสงไขบ้างนีนะมีแต่ น, นานานแบบนั้นแต่ว่าใกล้ๆกันแบบกลับที่แล้วก็มีพระพุทธเจ้ากลับนี้อีกก็มีพระพุทธเจ้าหายากอันเมื่อ92กลับผ่านไปก็ย่างเข้าสู่กลับที่91บอกว่าต่อจากสมัยพระพุทธเจ้าพุทธะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเทา้าพระองค์ผู้มีจกักรสก็อุบัติขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าทำลายกระป๋ะไข่คือวิชาพระองค์มักจะเปรียบการตรัสรู้ธรรมของพระองค์เหมือนกับลูกเหมือนอย่างว่าไข่ไก่8ฟองสิองฟองหรือ12ฟองอนะลูกไก่ตัวนะไก่ลูกขอไปไข่ตัวใดที่แม่ไก่กกดีก็จะฟักดีเนี่ยนะเพะถ้าหากว่าแม่ไก่เนี่ยกกดี ยางทั้งหลายที่อยู่ในภายในก็ค่อยๆแห้งไปแห้งไปลูกไก่ก็ค่อยๆโตขึ้นจะงอยเอ่อเรียกว่าอะไรนะจะงอยปากพวกกรงเล็บกรงขาอะไรก็จะค่อยๆมีกําลังยิ่งขึ้นเล็บเท้าเป็นต้นก็จะแข็งแรงปีกก็ค่อยๆมีในที่สุดตัวกระเปาะไข่ก็ค่อยๆบางไปเรื่อยๆเยื่อใ่ก็บางในที่สุดก็จกะนะกเจาะกระป๋อนะกระป๋อหรือว่าเจาะเปลือกไข่ออกมาได้ พระองค์ก็เหมือนกันพระองค์นั้นถูกโลกเคลื่อวิชานี่ห่อหุ้มในที่สุดพระองค์ก็เรียกว่าทำลายกระปาะฟองแห่งอวิชชาเรียกว่าสู์โลกที่มีปัญญาเห็นอริยสัจตรัรสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปกรุงพันทุ่มดีเพื่อประกาศพระธรรมจักหลังจากที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วปณิธานเจตนาก็ไม่ลืมว่าตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ตาม พระผู้นำพระองค์ก็ยังพระโอรสและบุตรปุโรหิตทั้งสองให้ตรัสรู้อภิสมัยครั้งที่หนึ่งกล่าวไม่ได้ถึงจำนวนผู้ตรัสรู้รมต่อมาอีกพระผู้มีพระยศหาประมาณไม่ได้ทรงประกาศสัจจนะเข ม, มะมิขทายวันนั้นอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์ 84% 0พันบุรุษ 84,000 พันบวชตามเสด็จพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุ ทรงแสดงธรรมโปรดบัปรปชิตเหล่านั้นที่ถึงพระอารามบรรปชิตแม้เหล่านั้นฟังธรรมของพระองค์ซึ่งตรัสประทานโดยอาการทั้งปวงก็บรรลุษธรรมอันประเสริฐอภิสมัยครั้งที่สามก็ได้มีแก่บัญปชิตเหล่านั้นคือ8ปดหมสพันพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชุมพระสาวกขีณาศพผู้ไร้หมนทินผู้มีจิตสงบผู้คงที่สามครั้ง ประชุมพระสาวกครั้งแรกแสน0 0ดนะส่วนครั้งที่2มีจํานวน1นึ่อแสนเรียกว่าแสนหนึก็แปลว่า 10,000 แสนะนะครั้งที่2อเนี่ยประชุมอรหันตสาวก 10,000 แประชุมครั้งที่สามสาวกแ0ดหมพราอันนั้นอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่สของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรุ่งโรจน์อยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุณเขมรมิกทายวันนั้น พระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธเจ้าของเรากล่าวถึงค่อนข้างบ่อย น, นะนะกล่าวบ่อยกล่าวทั้งในอาตานาติยะสูตรกล่าวทั้งในมหาประานสูตรพระองค์ก็แสดงถึงพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่โดยมาจะแสดงถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสีขึ้นม า, านะพระวิปัสสีพุทธเจ้านี่จะค่อนข้างจะกล่าวบ่อยหรือว่าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็พระองค์โดยมากก็นับตั้งแต่ พระพุทธเจ้าวิปสัสสีแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ยังมีเหลืออยู่แต่ว่าเหลืออยู่ที่สุทธาวาสเนี่ยนะพันพรมอนาคามีสาวกของพระวิปัสสีก็ยังมีอยู่พรมนี้เขาอายุหลายเป็นหมื่นกับเนี่ยขออภัยหลายร้อยกับพันธ์ผ่านไปเพิ่งเก้าสิบเอ็ดกับก็เหมือนว่ า, าไม่ไม่นานนี่ยนะเพราะอายุท่านตั้งหลายร้อยกับเนี่ยนะว่มีการเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะอายุท่านหลายร้อยกับพันอายุ ถ้ารวมกันเนี่ยนะอย่างชั้นแรกก็ประมาณ500กลับขึ้น5่ะอายุยาวขนาดนั้นถ้าอยู่จนสิ้นอายุไขก็นานมันสาวกของพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี่ยังมีอยู่แต่โดยมากอยู่ในฐานะพระนาคามีหรือพระอรหันต์เนี่ยนะต่อไปพูดถึงการประชุมอรหันตสาวกเนี่ยนะสาวกสันนิบาตเพื่อแสดงโอวาทปาติโมกว่าครั้งแรก1 8 0 0 0 0มืครั้งที่สองหน0 0ครั้งที่3 80,000 ่น ฝ่ายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยชาตินั้นเป็นพญานาตจริงแล้วเมื่อเก้อดกับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกับที่พระพุทธเจ้าของเราทุกทรมานมากเลยนะพระโพ ธ, ธิสัตว์ทุกทรมานมากเป็นกลับที่ลองผิดลองถูกชนิดร้ายแรงรุนแรงแล้วก็หนักสาหัสยิ่งกว่าชาติที่เป็นชาติสุดท้ายนี่เอง พระชาตินั้นไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยนะชาตินั้นไม่ได้เมื่อกลับนั้นไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยบำเพ็ญเพียรทำทุ ก, กรักกิริยาอะไหลายอย่างที่ทรมานมากเนี่ยนะไม่ได้ทรมานน้อยกว่าชาตินี้เลยนะนะไม่ได้น้อยกว่าชาติสุดท้ายนี่เลยเมื่อเมื่อ91กลับที่แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนมหาสีรหนาสูตรจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่ทุกทรมานของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เมื่อ91กลับนั้นสาหัสขนาดไหนว่างั้น จนแค่เรียกว่าวสี ห, หนันนาหรือว่าโลมหังสนะสูตรบอกว่าคนฟังขนลุกเลยว่าโอ้โหอยู่ได้ยังไงเนี่ยทนอยู่ได้ยังไงขนาดนี้ท่านกลับนี้เนี่ยพระองค์ก็เป็นพญานาคเนี่ยนยีสมัยนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญานาคชื่อว่าอัตุละอัตุละแปลว่าช่างไม่ได้ตุละก็คือตุลาตุลาก็คือตาช่างนะนะช่างหน้าตุลาการท่นนี้พระโพธิสัตว์ช่างไม่ได้มีฤทธิ์มากมีบุญ ก็ถือว่ามีบุญสร้างสมมาแล้วเท่าไหร่สี่อสงไข 90, 9, ่เก้าหมื่นเก้าพันเกะประมาณกี่กับ91กับ100 ร, ะนะร้อยหารอะไรนะร้อเอาออก91้าสิบเอ็ดเเท่าไหร่เก้าก้ลับนะก็ถือว่ามีบุญมากอนะสร้างสมบุญมาเยอะละ่ะแต่ว่าก็ยังไปเกิดเป็นพญานาคพระองค์นี้มีรัศมีรุ่งโรจน์ แวดล้อมด้วยนาคหลายโกรธเนี่ยนะแหมถ้าตอนกลับร่างเป็นงูหมดมีงูเป็นบริวารหลายโกรธนี่หนักใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้แปลงเพศเป็นมานบหนุ่มสาวน้อยข้อยังชั่วหน่อยนะถ้าเป็นแมงูบริวารยั่วเยี่ยเลยในหลายโกรธนี่หนักใจเหมือนกันนะเขามาทําใจไม่ได้ไปดูฟาร์มงูไม่ได้เห็นแล้วขนลุกเลยนะเห็นฟาร์มงูแล้วขนลุกเลยนี่อันก็ถ้ามีบริวารในโรงเรียนเอ้ยเป็นพญานาคก้าโกรธแม่มีพญานาคบริวารเป็นโกรธโกรธเลยนะ เคดูแต่ในหนังที่งูเยอะๆเนี่ยแม่สะดุ้งเลยนะขนลุกเลยกลัวมากเลยนะไม่จำเป็นอย่าเห็นเลยมงงันดีที่สุดงันเห็นแล้วไม่สบายใจแต่ว่าพญานาคก็อยู่นะสังคมสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเนรมิตรอัตภาพกึ่งทิพนั่นแหละตอนนั้นได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระวิปัสสีสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางที่สูงส่งก็พยากรณ์พระองค์ว่าเกบอดกับนับแต่กลับนี้ไปท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพยานหน้าก็นิมนต์ไปทําบุญยกตัวอย่างเหมือนสมัยที่พระองค์เนี่ยนะไปโปรดกษัตริย์เมืองภัยาลีหรือไปโปรดเมืองภัยาลีที่ไปแสดงรัตนาะสูตรเป็นต้น ตอนที่กลับมาเนี่ยนะตอนที่กลับมาเนี่ยพญานาคก็ได้ทําพุทธบูชามนุษย์ทำพุทธบูชาพญานาคก็ทําพุทธบูชาไล่ตั้งแต่พญานาคพุทธบูชามนุษ Carwyn, ยาา์ทำพุทธบูชา ak, พญ า, านาค น, น, นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพิสุสง์ไปฉันด้วยนะถัดจากนั้นมนุษย์ก็นิมนต์ไปฉันอย่างที่เมืองภัยสาลีแล้วก็เทวดาก็นิมนต์ไปฉันอีกหลายชั้นเนี่ยนะในในข้อความในปกิ น, นกะเนี่ยนะในเรื่องปกิ น, นกะของพระพุทธเจ้าอ่ะ พญานาคก็มีการทำบุญมาทุกยกทุกสมัยอะนะพญานาคโพธิสัตว์เนี่ยครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระวิปัสสีสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ก็ประทับพยากรพยากรว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเกิดในกำเนิดพญานาคหลายชาติด้วยกันนะภูริทัตะชาดกสังขปารชาดกจำปะยะชาดกชาติเหล่านี้ก็เป็นพญานาคแต่ก็อย่างว่า โปรองจะเกิดอยู่นะพบใดๆก็ตามสิ่งที่ไม่ลืมก็คือการเจริญกุศลนะไม่ลืมนะก็คือก็แปลว่าคนที่ยังท่องอยู่ในวัตฏะยังเที่ยวไปในวัตฏะก็ไม่ใช่ว่าจะทําบุญได้บริสุทธิ์ตลอดไปก็บางครั้งก็ต้องเปื้อนบาปบ้างนี้บาปมันก็คือบาปบาปก็ให้ผลคุณจะมีบุญมาขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าบาปมันให้ผลมันก็ให้ผลได้ มันบาปเหล่านั้นให้ผลแต่ความที่เป็นผู้มีปุปเพกะถุปญญาตาสั่งสมบุญมามากไปเกิดเป็นพญานาคก็ไม่ได้ประมาทในการเจริญกุศลยิ่งทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยนะก็ยิ่งมีศรัทธายิ่งขึ้นก็บอกว่ากลุ่มสัตว์เดรชานที่บูชาพระพุทธเจ้าที่สุดคือพญานาคนะนนโดยวัดทั่วๆไปนิยมสร้างรูปพญานาค นะเป็นพญานาคเฝ้านะพญานาคเฝ้าเจดีดูแลเจดีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มพญานาคนั้นจะได้รับการยอมรับมากไทยเราเรียกว่าพญานาคจีนเค ร, รื่อมังกรเนี่ยนะจะเป็นผู้ดูแลอย่างโบดหลายๆแห่งก็นิยมสร้างพญานาคล้อมดูแลป้องกันนะบ้างสร้างพญานาคเป็นบันไดาทางขึ้นบ้างเป็นต้นเนนะเหมือนกับพญานาคมาต้อนรับก็ค่อนข้างเคารพพญานาคนั่นะนะแต่ก็เป็นนะับว่าเป็นพวกอเหตุกสศัลย์บรรลุไม่ได้ พระพุทธเจ้าวิปัสสีพยกรพยานาอัตุละโพธิสัตว่าพระองค์นั้นจะออกจากออกอภินศสกรมจากกรุงกบิลพัฒ์อันน่าเรื่นรมตั้งความเพียรรมทุกระกิริยาพระตถาคตรประทับนั่งที่โคนต้นอาชาปาละนิคโรโรับเข้ามาทุ ป, ปายาตาก็เสด็จเข้าไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุ ป, ปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้เข้าไปยังโคนโรพพลกจากนั้นพระผู้มีพระยศใหญ่ทรงกระทำป ร, ระทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูน้นโครโพพลกชื่อว่าต้นอสัตถะท่านผู้นี้จะมีพระชนนีพระนามว่าพระนางมายาพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุทโธธนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะ พระองค์จักมีอัครส า, าวกชื่อว่าพระโกริตะและอุปติษฐะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุทธะอุปถากชื่อว่าพระอานันท์จักบำรุงพระชินเจ้าผู้นี้จักมีอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นโผลพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกกันว่าต้นอัศตระ อัคราอุปถาเชื่อว่าพระจิตตะและหัตถะอลาวะกะอัครอุปถายิกาเชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคโดมผู้มีพระยศพระองค์นั้นมีพระชนมายุร้อยปีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังพระดำรักพุทธพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าวิปัสสีผู้ไม่มีผู้เสมอผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้จะเป็นหนอ่อพุทธางกูล เหมินโลกาธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็โห o ร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญเชิญนมัสการกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากพระศาสนาของพระโลกกนธาพระองค์นี้นะในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้มนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ำพลาดท่าข้างหน้าก็ถือเอาท่าข้างหลังเพื่อจะข้ามแม่น้ำชันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าพลาดผ่านพ้นจาก ชินะศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตขอให้พวกเราได้อยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉะนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์พญานาคฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งมีใจเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบําเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ว, วิปัสสีว่าพระองค์ผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่มีนครเป็นที่เกิดเชื่อว่าพันทุกขมดี พระชนกพุทธบิดาพระเจ้าพันธุมะพระชนนีพระพุทธมารดาพระนางพันธุมดีพระองค์ทรงครองคารวะวิสัยอยู่แปดพันปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมสามหลังชื่อว่านันทสุนันท h และสิริมาพระองค์มีพระสนมกำนันที่แต่งกายงามสี่0มนสามพันนางมีอัครามเหสีพระนามว่าพระนางสุทัศนามีพระอรสพระนามว่า สมะวะัตะขันทะน่ย น, นะพระชินพุทธเจ้าทรงเห็นนิมิตสีออกอภินศสกมด้วยยานคือรถทรงตั้งความเพียรแดเดือนเต็มพระมหาวีระวิปัสสีผู้นำโลกสูงสุดในนรชนอันเท้ามหาพรหมทูนราตนาแล้วทรงประกาศะธรรมจักณนะมิกทายวันพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้ผสแสวงคุณยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัคารสาวกชื่อว่าพระขันฑะและพระติสสะ ส่วนพระพุทาอุปถากชื่อว่าพระอโศกะมีอัครสาวิกาชื่อว่าพระจันทาและพระจันทมิตราโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่าต้นปาตลีมีอัคระอุปถากชื่อว่าปูนับสุมิตระและก็พระนาคะคือนาคะอุบาสกะนะมีอัคราอุปถายิกาชื่อว่าสรีมาและอุตรา พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกสูง80ศอกพารศมีของพระองค์แผ่ซ่านไปโดยรอบ7โยดในยุคนั้นมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีพระพุทธเจ้ามีพระชนยืนตลอดการเท่านั้นจึงทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะพระองค์เปลื้องเทวดาและมนุษย์จากเครื่องผูกและทรงบอกู้ทุชนนอกนี้ให้รู้ทางและไม่ใช่ทาง อนะให้บอกว่ามารข้อปฏิบัติและมิใช่ข้อปฏิบัตินั่นเองพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกครั้นแสดงแสงสว่างแล้วนะคือแสงสว่างคืออริยมรรคแสงสว่างคือปัญญาเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงอมตะบทคือพระนิพพานเมื่อประกาศอริยมรรคและพระนิพพานพระองค์ก็รุ่งร่วเออรุ่งเรือ ง, งแล้วก็ดับขันธปรินิพพานเหมือนกองไฟลุกโผลงแล้วดับไปฉะนั้นพระวริษณ์อันเลิศ พระบุญญาที่การอันประเสริฐพระวรลักษณ์อันบานเต็มที่ทั้งสิ้นนั้นก็อันตรฐานสิ้นไปสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้อะนะอย่างพวกเรานี่อีกร้อยปีข้างหน้าหรืออะไรบ้างานะกระดูเขาก็เอาไปบททำอะไรหมดแล้วก็ไม่รู้พระวิปสัสสผพุทธเจ้าผู้เลิศในนรชนทรงมีพระวีรทรงเป็นพระวีรบุรุษสเสด็จดับขันทัปปรินนินะ่านนะพระวิหารสมิ ต, ตาราม พระวรสถูปสถูปอันประเสริฐหรือเจดีย์อันประเสริฐของพระองค์นั้นณนะวิหารนั้นอนะ่ะสูงเจ็ดโยชนรายละเอียดในอัตถกาฐมธุรฐาวิลาสีกล่าวว่าต่อภายหลังผ่านไปเนี่ยนะกลับที่92ผ่านไปถึงกลับที่91พระปุทตะในกลับที่92ก็อันตรทานไปทั้งกลับก็อันตรธานพระพุทธเจ้าก็กอันตรธา น, ธา ก, น, ธานก่อนกลับมานานแล้วงั้น ก็ถอยหลังไป91กับนับจากกับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระาศาสดาพระนามว่าวิปสัสสีวิปัสสีแปลว่าผู้เห็นแจ้งนะผู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงรู้หมดอ่ะอลาดมากเลยนะอะไรก็รู้หมดฮะพระองค์ทรงทราบกับทั้งปวงทรงมีพระทรงมีความดํ่ริยินดีแต่ประโยชน์ของสัตว์อื่นความคิดของพระองค์จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขได้อย่างไร พระพุทธเจ้าวิปัสสีก็อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายและบังเกิดในภพสวรรค์ชั้นดุสิตนะคือประกอให้ทานเช่นกับพระเวสสันดรแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตยอยู่ในดุสิตอันรุ่งโรจน์ด้วยแสงสั้นแห่งมณีรัตน์เป็นอันมากครบอายุไขในสวรรค์ชั้นดุสิตก็จุติจากชาตินั้นถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางพันธุมาดีอัครมเหสีของพระเจ้าพันธุมะ พระองค์มีพระญาติมากณกรุงพันธุมดีอยู่ในพระขันกําหนดครบถ้วนทศมาสิบเดือนก็ประสูติจากพระขันพระชนนีณเคมิกขทายวันเหมือนดวงจันทรเพนออกจากกลีบเมฆสีเขียวครามในวันรับนามหรือวันขนานพระนามของพระองค์โหนผู้ทํานายลักษณะและพระประยุรญาตก็เห็นพระองค์เนี่ยหมดจดเพราะเว้นจากความมืดที่เกิด จากการกระพริบตาคือพระองค์เนี่ยไม่กระพริบตานะในระหว่างทั้งกลางวันและกลางคืนจึงเฉลิมพระนามว่าวิปัสสีเพราะเห็นได้ด้วยตาที่เปิดแล้วหรืออีกในหนึ่งบางอาจารย์บางท่านก็เล่า ว, ว่าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยเพราะเพึ่งวิจัยค้นหาย่อมเห็นพระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่แปดพปีคำว่าวิปัสสีเนี่ยแปลว่าวิจัยหรือค้นหาอริยสัจก็ได้นะ พระวิปัสสีนั้นครองคารวามีปร า, าสาทสามหลังเช่อวันนันทะสุนันทะและสิริมาพระสนมกำนันส อ, อแสนสองหมื่นนางมีพระนางสุสุทัศนาเทวีเป็นประมุขพระนางสุทัศนาเรียกกันว่าพระนางสุตนูก็มีล่วงไป8 0 0 0ปีเมื่อพระโอรสของพระนางสุตนูเทวีพระนาว่าสมวัตขันธะทรงสมภพ พระองค์ก็เห็นนิมิต ท, ทั้ง4ก็เสด็จออกมหาอภินิษฐกรมด้วยรถเทียมมาพระองค์นี้สรงผนวดบุรุษ 84,000 คนก็บวชตามเสด็จพระมหาบุรุษนั้นอันภิสูุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือนนะนะบำเพ็ญทานะบำเพ็ญเพียรสร้างบุญกุศลเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเดือน ในวันวิสาขบรมีพระองค์ก็เสวยข้าวมะทุปาญา ท, ที่ที่ดาสุทัศนาเศรษฐีถวายพระองค์พักกลางวันณนะสารวันที่ประดับด้วยไม้ดอกโดยด้วยดอกไม้เนี่ยนะต้นไม้เนี่ยเต็มไปด้วยออกดอกออกช่อก ง, งดงามตอนเย็นพระองค์ก็รับหญ้า8ปดกรรมที่คนเฝ้าไร่เข้าเหนียวชื่อว่าสุชาตถวายพระองค์เห็นโรพพฤกหรือต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ชื่อว่าปาตาลีคือต้นแครไฟ ที่ออกดอกพรงก็เข้าไปยังโรพพฤกต้นนั้นณนะด้านทิศทักษิณที่จริงบอกว่าเข้าไปตอนแรกเนี่ยนะก็เข้าไปในด้านทิศทักษิณก่อนวันนั้นลำต้นอันกล่าวกลมของต้นปาลตลีบุตรนั้นชลูดสูงขึ้นไป50ศสิบองกิ่งเนี่ยขยายออก50ศอกสูงร้อยสอกในวันนั้นนั่นเองต้นปาลตลีนั้นนะนะต้นแคร่ฝอยนั้นก็ออกดอกดารดาดไปหมดทั้งต้น เริ่มตั้งแต่โคนต้นดอกทั้งหลายก็มีกลิ่นหอมอย่างยิ่งเหมือนผูกไว้เป็นช่อไม่ใช่ปาตลีต้นเดียวเท่านั้นที่ออกดอกในวันนั้นแม้ปาตลีทั้งหมดในหมื่นจักรวาลก็ออกดอกด้วยไม่ใช่ต้นปาตลีอย่างเดียวเท่านั้นแม้ต้นไม้กอและไม้เถาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลก็ออกดอกบานแม่มหาสมุทรก็ดารดาษไปด้วยดอกบวกัวปกติทะเลนี่ไม่มีบัวหรอกแต่วันนั้นเป็นวัน อัศจรันท์ที่เรียกว่าทะเลเียเต็มไปด้วยดอกบัวนะบัวสายดอกอุบลโกมุดห้าสีแล้วก็น้ําทะเลก็เป็นน้ําที่เป็นน้ําเย็นอร่อยในระหว่างหมื่นจักรวาลทั้งหมดเนี่ยนะเกลือกล่อนกลนไปด้วยธงและมาลายพราะพระองค์เนี่ยบูชาด้วยธงเอาไว้เยอะเพรา ะ, ะนัธทงทั้งหมดเรานี่ยคือสิ่งใดที่เคยทำเอาไว้ในอดีตสิ่งเหล่านั้นก็จะมาเป็นเครื่องหมายปรากฏให้เห็นในตอนท้ายเพราะฉะนั้นพื้นแผ่นธรณี อันตกแต่งด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมนาๆชนิดก็เกลื่อนกลนไปด้วยพวงมาลัยมืดมัวไปด้วยจนแห่งทูปเรียก ว, ว่าควันนี่ตลบไปหมดลยงเง้พระองค์เสด็จเข้าไปยังต้นปาตาลีนั้นก็ล่าสันทัดหญากว้างห้าสิบสามอกอธิษฐานความเพียรอันประกอบไปด้วยองค์สี่เสร็จแล้วก็ประทับนั่งปฏิญาณไว้ว่าทำปฏิญาณเลยว่า ถ้าหากว่าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพียงใดก็ไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นี้เพียงนั้นแล้วก็ประทับนั่งอย่างนี้เนี่ยนะก็หมายความว่าร่างกายจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปก็ช่างทําไม่บรรลุไม่ยอมลุกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะตอนหัวค่าหรือตอน เ, เรียกว่าโผล่เพลเนี่ยนะพระองค์ก็จัดกองกําลังกาจัดกองกําลังมารพร้อมทั้งตัวมาร พระงทรงทำมัรคยานทั้งสให้เกิดขึ้นตามลําดับมรรคมรรคเกิดขึ้นผลก็เกิดในลําดับเป็นอนันตรัปัจจัยเนี่ยนะแล้ก็หลังจากได้มรรคสผลสปฏิสัมพิทาสี่ยานที่กําหนดนะกำเนิดสี่จตุโยนิปริเชทกัยานยานที่กำหนดกําเนิดสียานที่กําหนดว่าสัตว์ที่เกิดในคันสัตว์ที่เกิดในไข่สัตว์ที่เกิดในเท้าคลายและสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะ แล้วก็พระองค์ก็มียานที่กำหนดรู้คติทั้งกํากำหนดรู้นรกและทางที่ทำให้ถึงนรกกำหนดรู้เดริชานและข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นเดราชานกำหนดรู้จากเปรตและพฤติกรรมที่ทาให้ไปเกิดเป็นเปรตความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์หรือทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมนุษย์เทวดาทั้งหลายรวมทั้งพรหมทั้งข้อปฏิบัติไปสู่เทวดาและพรหม เรียกว่ายานที่กําหนดรู้คติหและเวสารัชยาน4ียานที่ทําให้พระองค์ถึงความเป็นผู้แ ก, กล้าองอาจคือยานที่ทําให้พระองค์ถึงความโสมนัสเต็มที่4ประการและอาสาธ า, านาญาญยานที่ไม่สาธารณะทั่วไปแก่สาวกทั้งหลายและพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายานนะก็คืออะไร อาสาัญุสยะยานอินทริยโปรปริยตยานมหาการุณาสมาบัตยานย ม, มกะปาติหาริยานสัพพัญยุตยานและอนนาวรณญ า, านและพระพุทธคุณทั้งสิ้นที่ไม่ได้ยกมากล่าวอย่างอื่นอีกมากมายพุทธคุณทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ในพระหัตถ์ทั้งหมดเนื่องด้วยอาวัชนะของพระองค์พระองค์ก็มีความดําริ บ, บริบูรณ์คําว่าดําริแปลว่าความปรารถนาแห่งใจที่พระองค์ได้ตั้งเอาไว้ ความปรารถนาเหล่านั้นทําให้พระองค์สมความปรารถนาแล้วพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมความปรารถนาแล้วประทับนั่งเหนือโพธิบาลังเปล่งอุทานว่าอเนกชาติสังสารังเป็นต้นเนี่ยนะ